ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสราบว่าพวกภิกษุณีเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายจะในพวกภิกษุณีจึงเที่ยวไปภายในพรรษาเล่า